บุ <Book> ๊กทูห้าสิบหกความรู้สึก f e e l i n มีความรู้สึกต้องการอยากเรามีความรู้สึกเราต้องการ เราอยากไปเทีออมเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากเขียนความต้อกลัวบองฟูดิฉันกลัวแอคือบองดิฉันไม่กลัว มีเวลา om ทัย t ์เทเขามีเวลาให้ให้ทัเขาไม่มีเวลาให้ให้ท e t ท์นี่เบื่อ om v อ r v e e l d te ท e e s <Be ur>. เธอเบื่อใ is v e r v e e l t เธอไม่เบื่อใช is nie v e r v e e l d nie หงา o m h o n g e r t e w e e s คุณหิวไหม is jij honger คุณไม่หิวหรือ is ยัยนี่หิวงั้นนกระหายน้ำอมดูดเตว e ย์ซ์พวกเขากระหายน้ำ Hulle is ดูดพวกเขาไม่กระหายน้ำเ u l l e is nie ด o ดงั้น